บุกทูหกสิบเอ็ดอาราบีวกติลำดับเลขกระมะสังขยเดือนแรกคือเดือนม ก, กราคม j a น u a r มาเดี๋ยวทีนั่นละเดือนที่สองคือเดือนกุมภาพันธ์ เ e บรัวรี่ n d เดวนือนที่สามคือเดือนมีนาคมชเดือนที่สี่คือเดือนเมษายน์เเดือนที่ห้าคือเดือนพฤษภาคมอเดือนที่หกคือเดือนมิถุนายน จูนอารวันลหกเดือนคือครึ่งปีอาจนนลลูกคลิซีรือรึ่รึคอร <February>, ึ่งปีคีอครึ่งปีครึ่งปีคือครึีคาึ่งปีคือครึมีครีคือรึ่รีคืรึ่งครึ่งปีคครึ่งปีครึ่อปร เดือนที่เจ็ดคือเดือนกรกฎาคม j u เ l วัน่เดือนที่แปดคือเดือนสิงหาคม August เอ็้นเดือนที่เก้าคือเดือนกันยายน September ตไม่ด้นลเดือนที่สิบคือเดือนตุลาคม October ปะดวัน่ เดือนที่สิบเอ็ดคือเดือนพฤศจิกายนนา v e m เ e r ร์ปั ด, ดเเดือนที่สิบสองคือเดือนธันวาคม December ร์ปันเนเสิบสองเดือนคือหนึ่งปีปันนินโดเ น, ลล ร, นดรุกละสิว่ากับสมบัติสกรกดาคมสิงหาคมกันยายน จูลย์ออกสต์เซปติมเบร์ตุลาคมพฤศจิกายนและธันวาคมออตเบร์นามบร์มาริอุดิเซมเบร์